รัตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่18อาณาปานาสติสูตรสูตรว่าด้วยการตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกพระผู้มีพระภาคประทับณประสาทของวิสาขาในบุภารามใกล้กรุงสาวัตถีตรัสแสดงคำในถ้ำกลางพระเทระผู้มีชื่อเสียงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ โดยแสดงว่าอาณาปานาสติที่เจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสง์มากทําสติปัฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปฐานสี่ที่เจริญทําให้มากแล้วทําโพธชงเจ็ดหรือองค์แห่งปัญญาตรัสรู้เจ็ดให้บริบูรณ์โพุทชงเจ็ดที่เจริญทําให้มากแล้วทําวิชาคือความรู้และวิมุติ คือความหลุดพ้นให้บริบูรณ์ต่อจากนั้นส่งแสดงรายละเอียดในการเจริญอาณาปานสติอย่างธรรมดาเช่นที่แสดงในอาณาปานาบับมหาสติปฐานสูตรการเจริญอาณาปานสติให้เกี่ยวกับกายเวทนาจิตและธรรมการเจริญสติปฐานสให้เกี่ยวกับโพชฌงเจ็ดมีสติเป็นต้น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 ทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงฆ์มากพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาตรัสถามทราบความจึงทรงสแสดงรายละเอียดแบบที่ทรงสแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการกำหนดพิจารณากายแบ่งออกเป็นหกส่วนคือหนึ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกสอง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 อดทนความไม่ยินดีและความยินดี 2. ครอบงำความหวาดกลัวได้ 3. อดทนต่อหนาวร้อนห้อยคาล่วงเกินและทุกขเวทนาเป็นต้น 4. ได้ชาญสีตามปรารถนา 5. ได้อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้ 6. ได้หูทิพย์